แนะนำบทอัลวาเกียบทอัลวากยาีากยาเป็นบทมัคคิยามี๙๖องค์ต่างที่กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆในวันเกียร์มาและสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นความหวาดกลัวการแบ่งมนุษย์ออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มขวากลุ่มซ้ายและกลุ่มแนวหน้าบทนี้ได้กล่าวถึงชะตากรรมของทุกๆ ก, กลุ่มและสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับพวกเขา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 ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดตามที่ปรากฏไว้อยู่ในตอนต้นๆของบทและได้กล่าวสรรเสริญถึงคุณงามความดีของกลุ่มแนวหน้าที่มีความใกล้ชิดทั้งในตอนเริ่มและตอนจบของบทด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเมื่อเหตุการณ์วังกียามาได้เกิดขึ้น لي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 ในสวนสวรรค์ห ล, ลากหลายแห่งความสุขสำราญเป็นกลุ่มชนจํานวนมากจากชนรุ่นก่อนๆและเป็นกลุ่มชนจํานวนน้อยจากชนรุ่นหลังๆโดยอยู่บนเตียงที่ประทับด้วยทองคำ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 และจอกใส่สุราที่ริมมาไม้พวกเขาจะไม่มึนศีรษะและไม่หมดสติเมื่อดื่มสุรานั้นและผลไม้หลากหลาชนิดตามแต่พวกเขาจะเลือกสวรและเนื้อสัตวมตามชต่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 เป็นการตอบแทนเนื่องจากความดีที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ในสวนสวรรค์ น, นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและเป็นบาปเว้นแต่คำกล่าวว่าสันติสันตินตวะอัศาบุลย์มิมาอัศาบุลยมีน ما,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 และร่วมเงาที่แผ่กระจายและน้ำที่ไหลรินตลอดเวลาและผลไม้อันหลากหลายโดยไม่หมดสิ้นตามฤดูการและไม่เป็นที่ต้องห้ามและเตียงนอนที่ถูก ให้ยกสูงขึ้นความจริงเราได้บังเกิดพวกนางเป็นกรณีพิเศษแล้วเราทำให้พวกนางเป็นสาวพรหมจักรเป็นที่น่ารักชื่นชมแก่ผู้ครองอยู่ในวัยสาวคราวเดียวกัน สำหรับกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวาเป็นกลุ่มชนจำนวนมากจากชนรุ่นก่อนๆและกลุ่มชนจำนวนมากจากชนรุ่นหลังๆและกลุ่มทางซ้าย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 แต่การก่อนนั้นพวกเขาเป็นพวกเจ้าสํำราญและพวกเขาเคยดื้อรั้นในการทําบาปใหญ่อยู่เป็นนิจและพวกเขาเคยกล่าวว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะกลายเป็นดินและกระดูกผวดแล้ว เราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพอีกระนั้นหรื อ, อ, อ, ลอลตลอดบรรพระบุรุษของเราแต่การก่อนนั้นด้วยหรือจอองกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงชนรุ่นก่อนและชนรุ่นหลังๆนั้น จะถูกรวบรวมไว้จนกระทั่งถึงวันอันเป็นที่รู้จักกันดีคือวันกิยามะแล้วรวมทั้งพวกเจ้าอีกด้วยโอ้บรรดาผู้หลงผิดบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายละมชแน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้กินต้น ลลและพวกเขาจะใส่มันเข้าเต็มท้องาลาและพวกเขาจะดื่มน้าที่กาลังเดือดตามลงไปลลและพวกเขาจะดื่มน้ำเช่นกับการดื่มของอูดที่กระหายน้ำจัด นี่คือที่พำนักของพวกเขาในวันแห่งการตอบแทนเราได้บังเกิดพวกเจ้ามาทนาเล่าพวกเจ้าจึงไม่ยอมเชื่อวันฟืน้นคืนชีพพวกเจ้าเห็นสิ่ง อาสุจีพี่พวกเจ้าหลังออกมาแล้วไม่ใช่หรือพวกเจ้าสร้างมันขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้สร้างเรานั้นเป็นผู้กำหนดความตายขึ้นในระหว่างพวกเจ้า และเราจะไม่ถูกขัดขวางในการที่เราจะเปลี่ยนบุคคลเยี่ยงพวกเจ้าและเราให้พวกเจ้าเกิดขึ้นมาอีกในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้และโดยแน่นอนพวกเจ้าได้รู้มาแล้วถึงการเกิดครั้งแรก แล้วฉะนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ไข้ควนพวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าวานแล้วมิใช่หรืออพวกเจ้าทำให้มันงอกเงยขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกเงยขึ้นมา หากพวกเราประสงค์ให้มันหักเป็นชิ้นชิ้นแล้วแน่นอนเราก็ย่อมทำมันได้แล้วพวกเจ้าคงจะประหลาดใจนนพวกเจ้าจะกล่าวขึ้นว่าแท้จริงเราได้รับความหายนะแล้วลมมไม่เพียงแต่เท่านั้นเราขาดแคลนปัจจัยเพาะปลูกอีกด้วยออีบ พวกเจ้าเห็นน้ำที่พวกเจ้าดื่มแล้วไม่ใช่หรือพวกเจ้าเป็นผู้หลั่งมันลงมาจากก้อนเมฆหรือว่าเราเป็นผู้หลั่งมันลงมาหากเราประสงค์เราจะทำให้มันเข็มจัด แล้วทนาเล่าพวกเจ้าจึงไม่กระตันอยู่พวกเจ้าเห็นไฟที่พวกเจ้าจุดขึ้นมาแล้วไม่ใช่หรือออหนวก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 ดังนั้นเจ้าจงสรุดีด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เธอฟาลาอุกสิมบิมว اقع อนนุจูมข้าอัลล่าขอสา บ, บาลด้วยตำแหน่งต่างๆแห่งดวมดาววะินนหูละกสมุลาวเธอลมูนอดีม และแท้จริงมันเป็นการสาบานนั้นยิ่งใหญ่หากพวกเจ้ารู้นั่นคือคัมภีร์อัลกุรอานอันทรงเกียรติซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้ไม่มีผู้ใดจะแตะต้องคัมภีร์อัลกุรอาน นอกจากบรรดาผู้สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้ น, นบบมันถูกประทานลงมาจากท่าผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอาาลและด้วยเรื่องนี้อันกุราอ่านกระนั้นหรือที่พวกเจ้าเยอยอย่าง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 และพวกเจ้าจะยังสามารถยับยั้งมันไว้ได้กระนั้นหรือในขณะนั้นพวกเจ้ากําลังมองดูอยู่และเราอัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้ชิดเขายิ่งกว่าพวกเจ้าแต่ท้ว่าพวกเจ้ามองไม่เห็นมาเลกาของเรา ล, าลาอก หากว่าพวกเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใดชะนายเล่าพวกเจ้าจึงไม่ให้วิญญาณกลับเข้ามาสู่ร่างอีกหากวาพวกเจ้าพูดจริง หากว่าเขาผู้ตายเป็นผู้ใกล้ชิดกับ AH. ววอัลลอฮ์ความอิ่มเอิบสดชื่นและสวรรค์อันเป็นที่โปรดปรานก็จะได้แก่เขาว่ามมาอมอามมมนิบยีและหากว่าเขาอยู่ในกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวาลลมมุิินย ความปลอดภัยก็จะเป็นของเจ้าในฐานะเป็นผู้อยู่ในกลุ่มทางขวาวและหากว่าเขาอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธผู้หลงทางสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับพวกเขาก็คือน้ำร้อนที่กำลังเดือด แล้วเปลวไฟที่ลุกไหม้แท้จริงนี่แหละคือความจริงที่แน่นอนดังนั้นเจ้าจงสรดุดดีด้วยพระนามของพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถิด